ในนั้นยัได้อาศัยครูบาาจารย์หรือตำรับตำลาเป็นเครื่องวัดนะ่นครูบาาจารย์ก็คอยแนะนำตักเตือนสิ่งที่ผิดๆนั่นเนี่ยท่านเตือนเราในนันการปฏิบัติธรรมมีอันตรายที่หลวงพ่อได้ทำมาบางคนไม่รู้บางคนรู้ ผู้มีปัญญารู้ได้ด้วยตนเองผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนเลอกปูบาอาจารย์คอยแนะนาว่าอันนั้นมันไม่ควรนั่นจึงแบบเป็นการฟังทั้งเา้าทั้งเย็นเม <c oughs> <c oughs> ื่อเรามาปฏิบัติธรรมะบางคนยังไม่ทันรู้อะไรคิดโน้นคิด น, ดนี้คิดไม่มีทางสิ้นจบอันนั้นนึกวาคงคิดนอกตัวเราไป เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะไม่ได้เรื่องอันนั้นนั่นเราเนืองให้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องคิดท่านจะเตือนเราต้องมาคิดอยู่กับที่ตัวเรากําลังมันนึกมันคิดมันเคลื่อนมันไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เมื่อเรามารู้ที่ตัวเรากรมรู้ที่นอกตัวเราก็ไม่มีบางคนปฏิบัติธรรมะรู้เรื่องรูปเรื่องนาม เรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องศาสนาพุทธศาสนาเรื่องบาปลเรื่องบุญรู้ได้เรื่องนี้แต่พอดีรู้เรื่องนี้แล้วก็ฟุ้งออกไปข้างนอกไปคิดถึงคนนั้นไปคิดถึงคนนี้มีความเมตตาสงสารอินดูเพื่อนฝูงอยากให้เขามาลู้มาเห็นด้วยเราอันนี้ก็ผิดเหมือนกัน ดังนั้นคําว่าวิปัตนูวิปลาจินตยานเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตธิธรรมคําว่าวิปต น, นูนเราก็ไม่รู้คําว่าวิปัตนูอุปาเกเรตวิปลาจแล้วความเห็นผิดคือมันจิตอันนั้นแหะมาเอามาเป็นที่ตั้งเอาไว้เมื่อตั้งไว้ผิดปฏิบัติมันก็เลยผิดไป เมื่อตั้งไว้ถูกต้องควมเห็นคนถูกต้องเมื่อเรานํามาใช้นํามาปฏิบัติมันก็ได้ผลดีเป็นอย่างนี้นอย่างไรเมื่อเรารู้เช่นนี้เราคิดฟุ้งออกไปนอกตัวเรารู้บางทีแสดงทำมาให้คนนั้นคนนี้ฟังหลวงพ่อเคยได้ยินบางคนกําลังเดินกลมไปเอาสอ่อเอากระดาษไปวางไว้ที่ข้างๆ พอดีมันคิดแต่บันทึกเอาไว้กลัวมันจะหลงจะลืมอันนั้นผิดแล้วนะมันเป็นวิปัสนูไปแล้วลืมก็ตามมันมันไม่มีประโยชน์อะไรมันแก้ทุกข์ไม่ได้อันนั้นเราต้องพยายามลดละอันนั้นอย่าให้มันรู้ออกไปข้างนอกจะไปสงสารคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปสงสารใครทั้งหมดเลยต้องสงสารตัวเรา ต้องทำความรู้สึกกับตัวเราคิดว่าคนนั้นจะให้ความสุขแก่เราบางคนบางคนเลยจะไปโกรธคนนั้นให้คนนั้นมีความสุขอันนั้นผิดเป็นความคิดผิดตั้งไว้ผิดผลที่การปฏิบัติของเราก็เลยได้รับทุกข์ความทุกข์จริงๆแล้วมันไม่ได้มีที่ตัวเราเราไปเอาความคิดของคนอื่นมาตั้งไว้เราก็เลยมีความทุกข์ พูดน้อยๆเราจะให้รู้กันได้ผู้มีปัญญาทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้คมคิดนี้เองเมื่อเราไม่รู้คมคิดมันก็เลยคิดพอแต่มันคิดมาแล้วเราก็เลยเข้าไปในความคิดอันนั้นเมื่อเข้าไปในความคิดอันนั้นมันก็ลยเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโลภะเนี่ยเขาเป็นโทสะบางทีคนนั้นพูดให้เราเกิดไม่พอใจขึ้น แต่ความจริงอันไม่พอใจนั่นมันไม่มีที่ตัวเราอันนั้นกาในขณะที่มันเกิดความไม่พอใจนั่นก็แปลว่าเราลืมตัวเราเรามีโมหะเรามีโทสะมีโลภะมันเกิดมาปรุงขึ้นมาที่จิตใจของเราอันนั้นราะว่าคนลืมตัวบางครัง้งบางคราวคนมาเสนอเสาะเยกยอเราคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีดีคนนั้นคนนี้ แเราโตพอใจขึ้นมาแล้วก็คิดไปแล้วคิดไปตามความดีใจแล้วก็เป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะไปแล้วอันนั้นก็ผิดเหมือนกันหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่ามืดสีดำคนมองเห็นได้เร็วถ้ามืดสีขาวคนมองเห็นได้ยากมืดสีดำคือขมโกรดเนี่ยมาแสดงให้ใครๆก็รู้เรื่อขมโกรดนี่เด็กน้อยเขาก็รู้ แสดงคงไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันมีกิริยามารยาทพุ้งออกมาข้างนอกให้คนเห็นให้ก็รู้อันนั้นเรียกว่ามืดสีดำถ้าเป็นมืดสีขาวแบบ น, นี้มืดสีขาวคมพอใจคนมายกยอเรามาสนาเสรนแล้วก็ยิ้มลืนตัวอันนี่ามืดสีขาวคนอื่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะคนไม่มีปัญญา ถ้าคน ม, มีปัญญาแล้วเขาจะมองรู้ทันที่เนี่ยเอาแล้วขมหลงผิดไปแล้วดังนั้นคขมคิดนี่ทีแรกมันไม่ได้ทุกข์พอดีมันคิดขึ้นมาเราเข้าไปในขมคิดมันจะคิดเป็นโลภคิดเป็นโทสะเป็นโมหะไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางนั้นทุกพุกข์คนไม่รู้ผมคิดนี่เองถ้าหากว่าเรามีปัญญามันคิดปุ๊บขึ้นมาเราเห็นทันทีรู้ปัดปั๊บไปทันที มันก็เลยไม่ได้ปู่งในนั้นสอนวิธีกันนสอนง่ายที่สุดเพราะพริุทธเจ้าท่านสอนน้อยที่สุดแลวท่านไม่ได้สอนมากเดี๋ยวนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์มาสอนกันมากเลยจับต้นส่วนปลายไม่ได้และบางทีคนพัดเหนื่อที่ปฏิบัติหนักถือเรามีความรู้เราไปเรียนมาแล้วจากตำรับตำลาเราท่องเราจํามาได้หรือบางทีเราไปเข้าโรงเรียน ท้องมาแทบจะตายแก้ทุกตัวเองก็มไม่ได้ควรมรู้อันนั้นเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันมาเป็นเม็ดสองข่มมันก็เลยตัดมือเราด้วยอันนั้นแต่ว่าวมันมันดีมันดีจะพูดให้คนอื่นฟังมันไม่ดีที่ที่จะเอามาแก้ตัวเรามันเลยไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ไม่ได้มีคุณค่ากับตัวเรามันไม่ทําประโยชน์อะไรให้เราทั้งหมดเลย มันทําประโยชน์ให้เราเจ็ทุกเท่านั้นดังนั้นคนเหล่าเกิดมาแล้วก็คิดคิดแล้วก็คิดคิดอันนั้นคิดอันนี้บางคนมีรถคิดกับรถบางคนมีบ้านคิดกับบ้านบางคนมีนามีสวนคิดกับนากับสวนบางคนมีเงินมีสร้ยอยคอมีแหวนเพชรมีนาฬิกาต่างๆคนมันมีไม่เหมือนกันก็ไปคิดน้าสิ่งน้าของอันนั้นแหละ เนี่มันตั้งความหวังในคนนั้นจริงวาอยู่ได้เพราะความหวังถ้าไม่มีความหวังคาดความหวังเสียอย่างเดียวก็หมดเลยหมดเลยคนนี่ไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วนี่วมีแต่ความเป็นอะไรไม่รู้รี่เป็นอย่าง น, น, น, น, นั้นการปฏิบัติธรรมะจึงไม่ต้องตั้งความหวังอะไรทั้งหมดต้องตั้งความหวังไว้มารู้สึกที่ตัวเรารู้มันเคลื่อนไหวก็รู้ มันคิดก็รู้แต่รู้นี้ไม่ใช่เข้าไปในความคิดอยากเข้าไปในความคิดถ้าเข้าไปในความคิดเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นไปพร้อมกันทั้งสามอย่างทีเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ขึ้นมาแต่มันแสดงคนละเรื่องกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ให้รู้อะไรมากเมื่อมันคิดมามากๆเราไม่สามารถที่จะแก้ความคิดอันนั้นได้ เราต้องทำระตุกเนื้อเราแรงๆทำแรงๆวางมือลงที่ขาเราหรือเราเดินจนกลมพื่เท้าแรงๆมันมกระเทือนประสาทเรามันก็เลยกลับเข้ามาที่ตัวเรามันก็เลยไม่กลับไปหาคนอื่นมันก็ไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะแล้วก็เรียกว่าเรามีสติเรามีปัญญามีสมาธิตื่นตัวอยู่เสมอ ทกุก็เลยหมดไปอย่าให้คนอื่นมาแก้ทุกข์ให้เรามันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวเราอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนี้เมื่อเราไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นไปตั้งความหวังแล้กับคนนี้อันนั้ น, นทุกแล้วไม่มีเลยทุกเนี่ยไม่มีจริงๆเราพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วเข้าใจว่าคนอื่นเอาทุกข์มาให้เราเตัวควรจริงเราไปเอาทุกข์มาจากคนอื่นท้งนั้น คนอื่นเนี่ยไม่มีใครเอามาให้เราเราไปดึงออกมาเนี่ยมันก็เลยมาทุกข์เมื่อมันมีทุกข์แล้วก็หาว่าคนนั้นทำให้เราคนไม่ทำให้เราควุมจริงเราไม่รู้มันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อเรารู้รู้กว่าเส้นผมน้อยกวเส้นผมคนที่มีปัญญารู้แก้ทุกข์เนี่ยมันไม่ยากพ อ, อดีไปคิดทุกขอ้ทุกข์กแล้วเนี่ยเห็นเท่านี้ก็ใส่ได้แต่ไม่ได้เห็นมาก ถ้าเห็นมากคนนี้ขายิ่งดีไป น, นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องแก้ทุกข์ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีเลยที่จะสอนให้เป็นพิธีลีตองเป็นเครื่องราง ข, งของขังเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยคนใดปฏิบัติอย่างนั้นคนนั้นยังไม่รู้วิธีแก้ทุกข์หรือพูดตรงๆก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่รู้หลักพุทธศาสนาจริงๆอันนี้ หลวงพ่อรับรองได้เพราะหลวงพ่อเคยทำมาหลวงพ่อเคยทําบุญเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทํากรรมฐานเคยเจริญนิพพานแต่ไม่ได้ดูจิตนึก <c oughs> ว่าตายแล้วยังเอาบุญเนี่ยเข้าใจไปอย่างไรถ้าเจริญนิัพานาก็เจริญเปอย่างนั้นนะเป็นนิสัยตายแล้วยังจะได้พ้นไปขมทุกข์มันเข้าใจไปอย่างผิ ด, ผด บางคนเจริญนิพพานก็อยากเห็นเดือนเห็นดาวเห็นดวงแก้วดวงทิศดวงจันทร์เห็นอะไรต่างๆนั้นมันของไม่มีอะอยากไปนึกไปคิดมันของไม่มีมันนึกมันปั้นขึ้นมาเองมันอันตัวไม่เห็นกับคิดนั่นแหละมันปั้นขึ้นมาคนเดียวมันเหมือนกับเราที่ไปปลูกบ้านสร้างวิมานในบนสวรรค์ุนมันไม่มีพื้นฐานมันจะปลูกบ้านได้ไหมมันปลูกไม่ได้ มันต้องอาศัยพื้นดินนี้มันจึงจะปลูกบ้านขึ้นมาได้แต่บ้านเนี่ยเราเขาปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกตึกปลูกร้านเขายังหาฐานดีๆนีขุดดินลงไปวานนี้หลวงพ่อไปที่บ้านเขาปลูกดินขุดน้อยๆเตี้ยๆแต่มันไม่ทนทานพื่จะปลูกให้มันทนทานจริงๆลงเข็มตอกเข็มลงไปเด้นแน่นจนถึงหินคุณเนะี่ ลกลงไปมันก็ไม่ซุดบ้านหลังนั้นไม่สุดเป็นที่แน่นหนามั่นคงถาวรถ้าไม่ลงเข็มขุดไปเล็กๆน้อยๆปุกขึ้นไปถ้าเครื่องดีแล่นนะซุดขึ้นมาซุดขึ้นมากะพังไปทันทีอันนี้ก็เหมือนกันการไปดูกลมคิดเนี่ยมันเป็นพลังมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจรึงว่าให้มาดูกลมคิด ถี่เราไปปลูกบ้านบนสวรรค์มันไม่มีพื้นฐานก็เราไปคิดคนนั้นจะให้คมสุกแกเราอย่างนั้นคนนี้จะให้คมสุกแกเราอย่างนี้มีหวังเอาหวังไว้แต่ว่ากับคนนั้นตั้งความหวังไว้กับคนนี้อันนั้นผิดแล้วทุกแล้วอันน้มันทุกแล้วเราจะเอาความทุกของเราด้วยแหละไปใหค้คนนั้นคนนี้อันนี้ผิดผิดอย่างหนักทีเดียววิธีที่จะแก้ก็ไม่ยากเดินจมคม สร้างจังหวะสร้างจังหวะเมื่อมันคิดนั้นไม่หยุดมันจินจิตหัวมันคิดเป็นทุกน์หนักๆเราก็วางลงที่เท้าเราแรงๆกึ๊กแรงๆคมคิดนั่นก็เลยมันมันมามีความรู้สึกตัวมันก็เลยวางความคิดอันนั้นเหมือนกับปิงเนี่ยปิงที่มันเกาะเรามันจินเรามันดูดเลือดเราเราเอามือจับลึงมันออกมันไม่อยากออกติก้นนั้น มันก็นหลุดต้นนี่ปิงมันมีสองขางมันเหนียวมันติดเนื้อเราเราไม่ต้องไปจับปิงแบบนี้เรามีวิธีเราไม่ต้องไปจับปิ ง, นน เ, เ, อ ง, ปปงเอายากับปูนไปส่งกับน้ําไปเอาน้ํากับปูนกับยานั่นแหละคันเข้ากันหรือนวดเข้ากันดีๆแล้วปูนกับยามันได้น้ําบบ น, นี้เราก็จับเอาปูนกับยานั้นเอาน้ํำนะ่ะมาบีบเส้นเนื้อเราพอดีเนื้อเรามันได้รับ น้ำปูนน้ำยาเนี่ยมันไหลลงไปเพื่อกับปากปิงปิงมันเลื่อนคนเดียวมันเนี่ยมันเป็นวิธีวิธีพูดดนี่มันมัมันมันเป็นเพียงที่สอนให้ทําทํามันเองอย่างนั้นเมื่อเรามาทําตุกทึ้มันเลยวางทั้งสองเท้าปิงมันก็เลยไม่มีอารมณ์มันก็เลยมารู้สึกตัวเมื่อมันรู้สึกตัวปิงมันก็ไม่ดูดกินเลือดเราแล้วก็ไม่เก็บสมมติให้ฟังเมื่อในขณะปิงดูดที่กินเลือดกินเนื้อเรานั้นเราเก็บ เราเจ็บเรารู้ว่าปิงกัดเราแต่เรากำลังดึงปิงออกพอที่ดึงปิงออกเลือดมันติดปากปิงไปบางทีเมื่อเราคาดไปก็ได้นะปิงนี่แต่หลวงพ่อไม่ไม่เคยรู้มากเท่าไหร่แต่ว่าดึงปิงดึงทากออกจากเนื้อจากตั ว, วเราเลือดมันไหลออกมาถ้าเฮ็ุอย่างที่วิธีหลวงพ่อพูดนี้เอาปูนกับยาเนี่ยบด<บ>น้ําลาดลงไปแล้วมันมันกลัวตายเนี่ยปิงกับยามันเป็นพิษมันเป็นอันตรายซึ่งกันและกัน มันวางเลยมันเลยไม่ดูดเลือดเราไปเราก็ไม่เจ็บมันล่นลงคนเดียวมันผลที่ตุดติงตายเลยอืถ้าเอายาเอาปูนยองติงเขามันตายไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะพยายามหาวิธีอยากให้มันวางความคิดอะไ น, นั้นเราไปดูหนังดูผักพยนต์ดูลิเกละครไปดูอะไรต่างๆเราไปกบกลมทุกไว้ไม่ใช่ไปแก้ทุกนะ มันไปกดทุกเอาเหนือนกับสมไฟขึ้นนะเอาเท้าหรือเอาดินไปกดไว้ไฟมันไม่ดับไฟมันมีเสื้ออยู่ที่ตรงนั้นเราจะไปทําอย่างนั้นพอดีไฟมันลุกขึ้นมาเราเอาน้ําไปรดน้ําไปกบเขา้าไฟมันฟุ้งขึ้นมาอย่าไปลดแทงลดค่อยๆเอาน้ําลดไฟลดทีละนิดทีละนิดดับไปดับไปผลที่สุดไฟดับเมื่อไฟดับแล้วเอาน้ําเทลงไปไฟมันไม่ฟุ้งขึ้นมามันเย็นไป อันนี้ทีแก้ทุกข์ก็เส้นเดียวกันมันไม่มีเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเนยบางคนว่าทุกข์ไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีของไม่มีรถยนทุกข์เจ็บหัวปวดท้องอันนั้นมันความคิดผิดทุกข์กดขึ้นคือความคิดนี่แหละมันคิดปุ๊บขึ้นมาเราไม่เห็นมันสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นแล้วบัด น, นี้เมื่อเราไม่รู้วิธีมัก็คิดคิดอันนั้นคิดอันนี้คนมันจึงอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปด้วยทุกทั้งนั้นเอาทุกนั่นแหละเป็นอารมณ์ไปยองใส่ศีสษะไปไปไหนก็เอาทุกปั้นไปอันนั้นแปลว่าผิดตั้งผมหวังไว้ผิดเนี่ย อ, อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นทุกคนที่พูดนี้ เราต้องตั้งใจมันคิดตัดทิ้งทันทีรู้อะไรก็ตามให้มันมาลู้อยู่ที่รูปที่น้ํานี่เองรูปได้แก่ร้ยงกายน้ำได้เกลจิตใจเคลื่อนไหวขึ้นมันเป็นรูปเป็นน้ําอย่าไปแงกมันอันเนี้ยังนิ่มันเป็นรูปอันที่รูปเป็นน้ําอย่าไปแงกมันพอเดยมันไหวก็ตามมันไม่ไหวก็ตามมันรู้มันเป็นรูปอันนั้เรลยว่าเป็นรูปเป็นน้ําน้ารูปเนี่ยมันสองอันรูปน้ําน้ำรูป มันเป็นคนลกคนกันเมื่อเรารู้รูปนามอันนี้มันเป็นรูปอันนี้นามรูปอันนี้มันมันไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นรูปนามตาเห็นจับถูกอันนี้เขาเรียกรูปนามนามรูปเรามองไม่เห็นด้วยตาพอเด้ยมันคิดมาปุ๊บเราเห็นปั๊บจะไม่ใช่ตาเห็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไปรู้อันนั้นเลยว่านามรูปนามรูปคือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทางนามมันเป็นทางรูปมันเป็นรูปคิดขึ้นมาเนี่ยตัวเวทนาก็สเสวยอารมณ์เราเคยพูดจากนั้นเวทนาสัญญาก็หมายถึงหมายรู้และจําได้สังขารเลวกุ้วิญญาณเรียกว่ า, วญญาราู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในคนรู้อันนั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าหรือศาสดาใดก็ตามเนียท่านผุ้รู้กล่าวเอาไว้ว่าอภิชาเป็นคนไม่รู้ เรามาแปลกันนะแต่ความจริงมันถูกน้อยมันไม่ทุกมากคำว่าอนิสาเนี่ยเราไม่รู้ออกจากคนมคิดอันนั้นมันเข้าไปในคนมคิดอันนั้นมันเป็นความรู้ที่แก้ทุกไม่ได้อย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นมันมีทุกแล้วสมมุติเรามีมีครอบครัวก็ตามนอ่เป็นมุอเป็นาก็ตามคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เข้ามาอยากเห็นหน้าเขาอยู่ทุกเวลาเนี่ยหลวงพ่อก็เคยมีอย่างนั้นเคยมีคิดถึงเขา ตัวควจริงเขาไม่ได้คิดถึงเราเราคิดถึงคนเดียวเราเราเป็นบ้าคนเดียวเราเรามีทุกคนเดียวเราคิดถึงเขามองเห็นหน้าเห็นตาเขาดีใจได้ยินเสียงพูดเขาก็ดีใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกแล้วอันนี้มันตกนรกทา่าจอยา่าไปคิดอย่างนั้นอยา่าไปตั้งความหวังเยดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งความหวังกับใครทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่ออายุสี่สิบหกปีพุทะมาปีสองพันห้าร้อย หลวงพ่อไม่ไตั้งควมคิดแล้วกับใขรตั้งหมดไม่ได้มีความหวังเรื่กับคนนั้นไม่ได้มีความหวังเรื่กับคนนี้ไม่หวังต่ออะไรทั้งหมดเรามาดูาตัวเรานี่เองเมาไม่เห็นอันนี้มาเข้าใจอันนี้ก็เลยแก้ทุกได้เมื่อแก้ทุกได้อย่างนี้ทุกคนมันมีเหมือนกันผู้หญิงก็มีอย่างนั้นผู้ชายก็มีอย่างนั้นภาคเหนองาคอีสานก็เป็นอย่างนั้นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษ คนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวถือศาสนาไหนก็ต้องมีอย่างนั้นดังนั้นจ่ว่าหลวงพ่อกล้าได้ใครจะพูดยังไงก็ตามหลวงพ่อไม่เชื่อใครทั้งหมดเลยถือศาสนาไหนก็ตามถ้าหกเจ้าทุกไม่ได้อันนั้นแปลว่าคนยังไม่รู้หลักพุทธศาสนารู้หรอรู้จํามาจากคําพูดของคนนั้นคนนี้รู้จามาจากตำรับตาราไม่ได้รู้ตัวจริง ดังนั้นคนเรียนรู้มา ก, มากเอาหัวเป็ฝังนะคกขมรู้อันนั้นแหละเข้าไปในขมรู้อันนั้นจึงว่ามีทุกมากคนบางคนนะหลวงพ่อไปอยู่ที่วสุนประธานปีสิบแปดนั่นน่ะคนเจเนใหม่มีลูกสาวคนเดียวพ่อแม่เป็นคนรวยมาก <c oughs> มีโรงสีมีโรงงานมีโรงน้ําแข็งมีอะไรหลายอย่างไปเรียนหนังสือจากเมืองนอก ไปเรียนหนังสือจากประเทศอเมริกาพอดีสอบได้ได้เป็นปริยามาจะเป็นปริยาโทรหรือปริยาเอกไม่รู้พอไม่รู้แต่คุณแดงเล่าให้ฟังพอดีเข้ามาถึงบ้านมันมันตั้งความหวังไว้ผิดมันไม่ได้เป็หวังพอดีมาถึงบ้านไม่ถึงห้าวันหือสองวันสามวันกระโดดตึกมาตั้งแต่หลังตึกเก้านุ ไม่ใช่ดุกทีละกันนะโดนมาทีเดียวนะล่วงถึงดินทีเดียวดูกหักเลยะมันไม่ใช่ตายทันทีดูกหักเลยดูกหักแล้วมันยังหายใจได้เขาเอาไปโรงพยาบาลคุณแดงไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อถ้ามันไม่ตายจริงๆหนูจะมาฟังหลวงพ่อจะรับได้ได้ได้ทั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายหลวงพ่อรับได้ทั้งนั้นจะถือกาสนาไหนหลวงพ่อรับได้ทั้งนั้นถ้ามีลมหายใจถ้าคนใดไม่มีมานะ ไม่มีทิฏฐิมากเกินไปหลวงพ่อพูดได้สอนได้แต่ว่าสอนแล้วไม่เอาก็ถือว่าคนนั้นมีมานะมีทิฏฐิแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปทุกข์กับคนนั้นคนนั้นจะทุกข์ถึงมันตายก็ทุกข์ไปเถอะหลวงพ่อไม่ได้นึกน้อไม่ได้สะใจคนนั้นคนนี้ทั้งหมดเลยหลวงพ่อแก้ตัวหลวงพ่อไม่มีทุกข์ก็พอแล้วแต่หลวงพ่อจะพูดเรื่องหลวงพ่อไม่มีทุกข์เท่านั้นพอดีได้ห้าอย่างคุแดงไปรายงานว่าตายแล้วนพ่อแม่ก็เลยไม่รู้ เงินทองอันนั้นมีประโยชน์อะไรแล้วมันช่วยอะไรเราได้ผมรู้ไปเรียนปริญญามาจากเมืองนอกมันมันช่วยอะไรได้มันช่วยได้ที่ตายนั่นแหละตายนั่นแหละมันช่วยได้คือตายนั่นแหละอันนั้นเรียกว่าอวิชชาแปลว่าผมไม่รู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในผมรู้มันตั้งความหวังไว้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้หวังคู่ครองอย่างนั้นหวังคู่ครองอย่างนี้มันก็เลยผิดหวังคนผิดหวัง คนสมัยนี้เขาเรียกคนอกหักเอาไว้คนอกหักแต่หนูพ่อไม่รู้เลยคนอกหักนี่หนูพอเพิ่งมาได้ยินใหม่ๆนี่แหละหนูพ่อไม่รู้จริงๆเพิ่งจะรู้นะใครๆรู้เขาว่าอกหักรู้ไหมรู้ไหมอ๋อพารู้ไม่เป็นยังไงกับอกหักพูดให้ฟังหนูอ๋อนั่นคือคนอกหักติดอันนี้ก็คนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เพราเขาไม่รู้ว่าเขาจะรักเราเนี่ยเราไปเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยไปเรียนหนังสือเมืองนอกก่อนเข้ามาในเมืองไทยนึกว่าจะมาแต่งงานกับเขาเขาไม่ได้เรื่องเขาไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกับเรานี่แหละคนมันเสียหวังเสียหลักอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าโกงอักอันคนมาปฏิบัติธรรมมากก็เหมือนกันนึกว่าเราจะรู้อันนั้นนึกว่าเราจะรู้อันนี้บางคนนะตัวตัวหลวงพเองอันนี้ คิดอย่างนี้เมื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชจะมองเห็นดินฟว้าอากาศบางครั้งจะมองเห็นลอตตรี่คุณบางครั้งมองบางครั้งมันนึกว่าจะมองเห็นจิตใจตัดใจใส่ปอดของคนนี่มันคิดไปสารพัดสาเพไปอันนั้นมันตั้งคมคิดขึ้นมามันผิดอยากไปตั้งใจไอย่างทุกคนที่พูดนี้พอดีมันคิดมาฤทธมาลู้ตัวเราต่อยเลย อันนั้นรู้ออกมาข้างนอกนั้นเรียกว่าวิปัสสนุปกิเลสมันเป็นกิเลสและมันคิดถึงคนนั้นคนนี้อันนั้นเกิเลสกิเลสไม่ใช่มีตัวมีตนนะเราไม่เห็นใจแล้วก็แปลว่าคนนั้นไม่เห็นกิเลสแล้วบางคนเข้าใจวพระอหรหันต์เนี่ยเหาะได้มองเห็นตับไตไส้ปอดมองเห็นอันนั้นอันนี้โอ้พระอหรหันต์แบบคนนั้นคิดมันคนบ้าคิดคนบ้าคิดมันต้องคิดอย่างนั้น แต่คุณมี่ปัญหาคิดมันไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงพ่อเป็นบ้ามาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเป็นเนนอนจนถึงอายุสี่สิบหกปีเป็นบ้ามาอย่างนั้นแหละมามีครอบมีเกลียวก็เป็นบ้าอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่รู้ความจริงพระอราหารนะันต์นั้นไม่มีเรื่องอะไรพระอราหันต์หมายถึงแก้ทุกได้เท่า น, นั้นเองอย่าไปเข้าใจว่าต้องมองเห็นจิตใจคนนั้น มองเห็นจิตใจคนนี้มองทลุไปโออันนั้นมันเข้าใจผิดมันจะมองเห็นจิตใจคนนี้มองเห็นจิตใจเรานี่มันคิดอันหดเรารู้เราเห็นเราเข้าใจแก้ได้นี่อันนี้แหละตัวเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงมันมีจริงจริงคนมันมีคิดมันมีไม่คิดมันมีเสยเสยมันมีดีใจมันมีเสียใจ มันมีอันที่ไม่ดีใจไม่เสียใจัว น, นี้มันเป็นอย่างนั้นเห็นมาที่ตรงนี้มันจึงจะตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆคำว่าหูทิพย์ก็หมายถึงคนพูดอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องไป้ยินเนี่ยมันหูทิพย์คนบ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นหูทิพย์คนมีปัญญาพอดีคนแสดงขึ้นมาพูดเรื่องธรรมะเราก็รู้คนนั้นพูดเรื่องธรรมะดับทุกข์เราก็รู้ คนนั้นพูดธรรมะไม่ใช่ทางแบบพวกเราก็รู้ดังที่คนมายุเรานะอย่างที่พูดเมื่อกี้เราก อ, อกหักเนี่ยเขามาต่อว่าต่อเถียงยุเราทําอย่างนั้นเอาความหวังให้เราเรารู้ทันทีเออคนนี้หลอกเราแล้วตั้งความหวังผิดแล้วเราเลิกได้ทันทีอันนี้โดยเฉาหูทิศในเรื่องหูทิศจะไ ป, ปฟังคนพูดอยู่กรุงเทพพูดเราอยู่ที่นี่ฟังได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นคนพูดอยู่จังหวัดต่างๆเราได้ยินมันไม่เป็นอย่างนั้น เราได้ยินกับหูเลานี้เองคนนั้นพูดให้เราเยั่วเราบางทีมีจดหมายให้กันก็นได้นะตั้งคนหวังเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็มีนะอย่าไปเข้าใจยอย่างอยาไปตั้งคนหวังนะค น, คนให้ตั้งคนหวังไว้ที่เราแก้ปัญหาที่เราคนอื่นแก้ให้เราไม่ได้ผีก็แก้ให้ไม่ได้เทวดาก็แก้ให้ไม่ได้ที่สุดพระพุทธเจ้าเองก็แก้ให้ไม่ได้ไมีแต่ท่านแนะนาเท่านั้นเนี่ย อันนี้หลวงพ่อได้ยินเจ้าคณะอำเภอเสียงคานพระครูวิทิตธรรมจารนี่หลวงพ่อเป็นลูกสิดท่านเมื่อบวชในสมัยเป็นหนุ่มแต่บูชครั้งนี้ก็ท่านเป็นอุปสารให้วะท่านสอนวะอักขาตาโลตถ า, าคาตาอันนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าขัาตตถาคตนั้นนะ่ะเป็นตปททวงเพียงพูดแนววิธีปฏิบัติเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอทาเอง รู้เองเห็นเองเข้าใจเองท่านสอนอย่างที่เราสวจกันเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกัน嘛สันที่ดีโกอันผู้ลู่จะพิ่งเห็นเองอาการดโกไม่ประกอบการเลเวลาเนี่ยใครจะลู่จิตใจเราอ้าวนั่งอยู่ที่เนี่ยบางคนคิดไปนอกจกังหวัดก็มีถ้าหากผู้ใดมีแฟนอย่างแม่ขาวนี่วานนี้แม่มาเล่าให้ฟังว่าแฟนคิดถึงอยากมาดูเนี่ยมีแฟนเพยไม่ไม่รู้ไม่เห็ น, น, นมามาม า, มาบนหลวดนี่แม่ขาวใช่ไหม มาบนบวดใช่ไหมนี่นี่แหละมาบนบวดเราเสียงอยู่ทางบ้านคิดถึงอยากมาดูวะมันมันไวที่สุดควมคิดเนี่ยเราอยู่ที่นี่คิดแปบบ๊บถึงเชียงใหม่ถึงที่ไหนก็ถึงแล้วนี่แหละมันสําคัญความคิดที่มันเร็วที่สุดเร็วกว่าแสงฟ้าแลบเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละเป็นปัญหาที่เราควรศึกษาคนอื่นรู้ด้วยเราไม่ได้ อันนี้ลูกด้วยเราคนเดียวสมกับที่เราสวดมาสันทิโกอันผู้ลูกจะฟังเห็นเองเนาะเราเห็นเองคนเดียวคนอื่นเห็นด้วยเราไม่ได้บางทีมันคิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงลูกก็ได้อย่างที่หลวงพ่อนี่มีลูกเนี่ยบางทีมันจะคิดไปถึงลูกก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีแฟนแล้ะเดี๋ยวเนี้แม่บ้านตายแล้วมันไม่คิดถึงแล้วไม่คิดถึงแล้วนี่เป็นอย่าบางทีถ้ามีมันคิดถึงอันได้นควมคิดอันนี้เนี่ยมันเตบทางใจ ว่าเสพเมถุนเนี่ยมันเสพทางใจเสพทางกายนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ปนแปลว่าอันพู่จะพึงเห็นเองอาการิโกไม่ประกอบการลนเวลามันไม่ประกอบการเวลาอะไรบางทีมันคิดนอนกลางคืนมือกายหน้าผากคิดไปอย่างนั้นแหละนี่มันไม่ประกอบวันไม่กอไม่ประกอบปีเดือนอะไรทั้งหมดมันคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้าไหลท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นเราต้องพยายามจริงๆ อย่าให้มันคิดไปได้พอเดนมันคิดทำความรู้สึกตัวตัดทิ้งทันทีให้เขาใจอย่าง น, นถ้าใครฟังแล้วนําไปแก้ปัญหาตัวเองได้จริงจริรับรองได้ไม่ต้องมากอันเนี้เมนก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันอย่จะปั้างความหวังวกับผู้หญิงอย่างที่วัดเหล่านี้มีแม่ขาวมาปฏิบัติ